เล็ดเรียกหนี้คืนมีตำรับของหลวงปู่สิงห์ให้เอาบทสวดมนต์แผ่นพับนี่ไปคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและแผ่เมตตาแล้วหาดอกไม้ดอกมะลิก็ได้ดอกเล็กๆ156ดอกเทียน156ทูบ156ดอกไม้ทูปเทียนอย่างละ156ใส่ผานบูชาเอาไว้ เทียนไม่ต้องจุดเอาใส่ผ่านบูชาไว้เฉยๆดอกไม้ถ้ามันเหี่ยวแห้งก็เปลี่ยนได้ถ้าแห้งไม่เนา่าไม่เหม็หนก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วก็มาตั้งใจไหว้พระเริ่มต้นจากอารหังสวากขาโตสุปฏิปันโนตามแบบเสร็จแล้วนะโมสวดบทอิติปีโสสวากขาโตสุปฏิปันโนไปตามลำดับแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกหนี้ เสร็จแล้วมาอธิษฐานจิตขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจงช่วยดนใจลูกนี่ให้เอาหนี้มาคืนข้าพระเจ้าแล้วก็สำรวมจิตสวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดจบแล้วขึ้นต้นใหม่จบแล้วขึ้นต้นใหม่สวดเท่าอายุและบวกหนึ่งหรือจะชักรูประคำสวด108จบ ก, ก็ยิ่งดีทำทุกวันทุกวันมีตัวอย่างที่8ดริ้ว เขาเอาไปทำสำเร็จมาแล้วเยซิมคนหนึ่งมาบอกว่าหลวงพ่อก็เป็นหนี้ไปทวงทีไรเขาด่าแล้วเขาก็ไล่ลงบ้านไม่ได้สักทีทำยังไงถึงจะได้หนี้คืนหลวงพ่อก็บอกว่าไปสวดอิติปิโสสิแนะนำให้เขาทำเหมือนกันก็ทำได้เดือนหนึ่งหลวงพ่อไปพอเขารู้ว่าหลวงพ่อไปเขาก็รีบมาหาทันทีมาบอกว่าอิติปิโสของหลวงพ่อเนี่ยดีจริงๆมันดียังไงซิม พอสวดแล้วลเขาเอานี่มาคืนหมดโดยที่ไม่ต้องไปทวงเลยใช้ดอกไม้ทูบเทียนอย่างละ156แต่การสวดอิติปิโสไม่จำเป็นต้อง156จบจบจำนวน156คือตัวอักขรกในบทอิติปิโสนับแล้วได้156มันเป็นเคล็ดของคนโบราณหมายเหตุผู้อ่าน จากบทสวดในหนังสือเขียนตัวย่อไว้นะครับความจริงก็คือการไหว้พระปกตินะครับเริ่มต้นจากอารหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพัคหวันตังอภิวาเทมิกราพพุทธประธรรมพระสงฆ์และตั้งนโมสามจบ ก, ก่อนสวดบทอิติปิโสสวาขาโตและสุปฏิปันโนไปตามลำดับ